อย่างนี้นอย่างนี้นะมีสถานที่อย่างนีจะให้มีคุตตบริษัทมานั่งอยู่อย่างนี้เวลาอย่างนี้ก็อยากทำกิจอย่างนี้สวนมนต์ไวยพระสาขายายธรรมฟังมีผู้พูดแลาธรร างานการใี่อยากที่มีบัญญาตาาัติอย่างนี้ที่อยู่ก็ไม่อยากจะเป็นอยาน่างนี้มันก็ตั้งใจอย่างนี้ถ้ามีสภาพแบบนี้เราก็พอใจขอบคนณท่านทั้งหลายที่มานั่งอยู่ที่นี้ที่มาสู่สถานที่นี้ด้วยควา ม, มโชค ของพวกเราแล้วเราอยากแกพูดอะไรลองคือลางการพูดนี้ถ้าอยากไป็ น, นเชื่อจะเป็นไม่เชื่อตัดสินใจยอมรับตัดสินใจปฏิเสธว่างหงูหัวหลอกกันร้อนที่พูดนี้เป็นสิ่งที่ ไม่ใช่สอนนท่านรู้พูดนท่านรู้ไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งีนี่เป็นการบอกให้ทำไม่ประคัศถ้าไม่ทำมันไม่เป็นวางอย่างต้องทำเรามันยังจะเป็นถ้าสอนให้รู้ทำไม่เป็นก็ม่ โดยเฉพาะชีวิตเราสอนไม่รู้ยังไม่เป็นพอต้องสอนให้เป็นทําให้เป็นเรียกว่าวิชากรรมฐานไม่มีใครช่วยกันได้ต้องตัวเองต้ช่วยตัวเองทำตัวเองฐานคือตั้งเคยที่ตั้งของการกระทํา ไม่มีที่ตั้งนไหลพีวของเรามันไหลเรื่อยมันน้ำจากที่ส่งไหลลงสู่ที่ต่ำอ้ำ เ, เก่าไหลไปนะ้ำใหม่ไหลมามันก็เป็นอย่างนี้เรีว่าสัมป ต, ติเกิดขึ้นตันตาเลไหลไป จะขึ้นแล้วเริ่องอื่นไหลไปลเริ่มเรื่งหนึ่งวันที่เรื่องเก่ามันไหลกลับไปกระมาสิเ่งของเราเป็นอย่างนี้เราจึงสวนพระสูตรไปที่นี้ว่าอาิทังน า, าเนวากะวัยยาลาปฏิตังเขรานาคตังโลกคนเมื่อก่อนตามที่ถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไร บางทีก็มีลอยเห่ในใจลอยแล้วต่อแข่งลอยได้ลอยเสียลอยแพ่รยชนะลอยสุขลอยทุกข์มันลอยปฏิที่ผ่านมาเอาไว้คิดมันทำอะไรไม่ได้เมื่อวานนก็ผ่านมาแล้วมันทำอะไรไม่ได้พู <c oughs> ุ่นี้ก็ไม่มายถึงเราังทำอะไรไม่ได้ ยังปัจจุบันนั้นจะโยธรรมตันตตตตตวิปสติมาสังนิลังสังกปังต่อไปอา้าวฮะยังมีปัจจุบันที่ตั้งเห็นอาการกระเคลื่อนเฉพหน้าในที่นั้นท่านนั้นเขีแจ้งไม่ห่อน่ายความแสงดูตรงนี้การศึกษาทั้งโลกเอาอัดเกิด ม, มาเป็นส่วเสบบก ข, อขอ้อมูล ให้ข้อมูลผิดูกได้่ขอให้ข้อมูลเราหลงเราก็หลองเปล่งบางทีมันสอนให้ข้อมูลเราเรเต้นไปเห่อ่ า, าอยู่นี่ก็โดดรถึ้นไปตามจังหวัเ้องให้ข้อมูลให้ขมลูล เราเราร่ากายอาใจเป็นข้อมูลมีสติติเป็นที่ตั้งเอาไว้ตั้งไว้ที่กายเรากายอย่างวัชนาะมีสติตั้งไว้ที่กายนี้มันมีอยู่ทุกคนกายเหมืนกันหมดมีรอ้อนมีหนาวมีปวดมีเมือ่อมีสุขทุกข์เหมือนกันหมด ให้แตกต่างกันเวลาอะไรมันเกิดขึ้นก็ไปเราจะหลงหรือจะรู้วันนี้สองพันจิตที่ทำให้หลงแล้ก็หลงไปสีที่ทำให้ทุกข์แล้ก็ทุกข์ไปถึงทาให้สุขเราก็สุขไปมันเช่าอย่างนั้นให้เห็นมันมันจุก็เห็นมันสุกมันทุกข์ก็เห็นมันทุกข์มันหลงก็เห็นมันหลงมันรู้ก็เห็นมันรู้ มันสงบไปมันสมบมันไม่สงบไปมันมันไม่สงบเพราะมันผ่าน ม, มาเราเห็นที่เรว่าการทำา็เห็ น, นที่เจ่มแจงนังจาพราะหน้าที่นั้นนั้นนี่เรื่องการมาถานให้ทำอย่างนี้ทางความหลงหก็ตามวาลาการไม่เหมือนกันบางทีคนคนหนึ่งหลงค น, นงอาจจะรู้ รู้ในความหลงนั่นทาให้เป็นแล้วมันหลงรู้สึกตัวเราฝูกตรง น, นกานฝึกหัดอาชีพเรียนรู้ก็มัสุขหลงรู้สึกตัวจะไปให้ลดชาติของวามสุขความทุกข์ตมัจืดไปเลยความรู้สึกตัวนะ่ะลดไปเลยลดศูนย์สุขศูนย์ความทุกข์ลศูนย์ไม่มีค่า แต่ถ้าเราให้ค่ามันก็มีค่าวันศุกร์ก็แสดงออกหัวเข้ามาวัทุกวันแสดงออกลบออกไปแต่อารมณของสัโลกมีบวกมีลบอยู่เช่นนั่นว่าโลกหรือว่ารถของโลกวันโุกก็ยหนวันโุกร์วัทุกวันวันทุกวั็กำลังเป็นลัวโลก มันลู่เห็นมันลู่มันหลงพวกมันหลงน่ะให้สุขกันให้ปุจจิกันนี้เดาเหตุอผลสติปัญญาอันที่มันมีมันก็มาสติมันก็ิดได้เต่มั่นคงการกระทำจริงจังสัตย์เดชามันก็มีสติ จนมันจะผลักขโมยก็มีสติมันจะเข้าจะอบทั้งไหนบางแกนได้ น, นั่นสติธรรมดาไงเช่สติปถานสติปฐานนั่นต้องกลับมาดูตัวเองในควาคิดก็เห็นความคิดแล้วเอาจิตทดูจิตเอาสติดูจิตเมื่อมันในมันไม่มมมสิ้นเปลือง ในกองมหลงก็มีความไม่หลงให้วิชากรรมฐานเป็นอย่างนี้ปฏิบัติคือเปลี่ยนให้มันดีเปลี่ยนร้าเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นดีคือรู้นี่แะเป็นดีเป็นรูกเป็นทุกข์เป็นรูเนี่ยเรียกวกรรมฐานอะไรทมันเกิดขึ้นน่ะแล้วก็เคยเหนรู้ไว้เป็นฐาน กระเด่ง้ ก, กว่าภาวนามันก็มีโรคแบบอยู่แล้วการเคลื่อนไหวเนี่ยอันรู้ทุกวินาทีเครื่อนไหว ม, มือข้างหนึ่งก็วินาทีหนึ่งละอชาไม่ไหวกินนะั้นก4รู้สบจะกว่าเนี่ยมันก็เรียกว่าภาวนาภาวนามาใช้กรรมวิจารวุตโตวุตโตยุตโตฟองหนอ เพราะนั่การบริกรรมไม่ใช่ภาวนาภาวนาไม่ต้องว่าอะไรมีแต่ลู่เข้าไปพยัญลู่เข้าไปถ้ามีภาวนามีหาข้ามีการบริกรรมเหมาขวางข้ามันไม่ได้สัมผัสจริงๆเหมือนเราถุงใส่มือไปจับสิ่งของมันไม่ได้สัมผัสให้มันได้สัมผัสกับกองหลงเราจะป้องกันมันกองหลงมันจะหลงทั้ง ขึ้นมาแล้วจะรู้อร่อยผ่านมาเราจะรู้อย่างนี้รับภาวนาอย่างรู้อย่างนี้อันนี้ไม่มีใครช่วยกันได้ตัวกายตัวมันขึ้นตัวเองเคลื่อนตัวเองแจ้งไขตัวเองรู้ตัวเองฝึก อ, อย่างนี้เลยว่ามันดิเป็นตู้งองตนอย่าเอาพิเตอร์ตัวกับสิ่งต่งตางๆ เราสุขภพทุกข์กับสิงต่างเอาสิ่งต่างมันก็ตอนชีวิตเราเอาควาสุขไปห้อยไปเขียนด้วยกับผู้คนเอาควาสุขไปห้อยไปเขียนด้วยกับวัตถุสิงของมันมม่ใช่สุขภพมันต้องมองตอนก่อนอย่างี้ตอนชีวิตเอาควสุขไปห้อยไปเขียนดวยกับเงิน เราทำไม อ, อกหเสีย อ, อกเสียใจเป็นทุกข์เพรคนอื่นทำเป็นสุขเพราะคนอื่นทห้ม่ น, นี่มันไม่ใช่แต่ว่าอาศั ย, ค น, ย, นย ค, นนคนอื่นไม่นะได้แตอาศัยคนอื่นถ้าคนอื่นน่ะมีทรรมะมีความรู้มันก็ช่วยกันได้พอได้คนใจดี ไปค่อคนจะลายแต่คนจะดีได้เหมืนค น, คนขาวอย่าอ้ว <c oughs> นก็เชื่อว่าคนอมยอ้วนอมมีใครเชื่อถืออน้วนก็อย่าหอมรถต้ําหนักก็ไม่มีใครเชื่อถื อ, อ, อ, อ, ถอต้องมีอะไรที่เป็นพิสูจน์กันบาง น, น, นี่เราจงมาตรวจตนแบนี้ แล้วก็เรากเพื่อนกันเท่านั้นเองไม่มีอะไรทาได้มากกว่านี้มีแต่พูดแท็กตอนทำให้โตถูให้เห็นในหาอะไรก็ถามได้บางอย่างบางอย่างไม่ต้องมีคำถามต่ อ, อเองอย่ า, างนั้มาถามให้อยากคิดถ้าคำที่มาถาม การคิดหาคำถามเอามาถามไม่ใช่เป็นศัจรูธรรมเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเวลาเราทำอยู่มันเกิดอะไรขึ้นเอามาถามได้บางอย่างสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรามันตรงในการถามตอบได้เลยมันยังตอบอไม่ได้เราทำไปก่อนมีสติไปก่อนมันตอบทีหลังเฉยเลยทีหลังมีเหมือนกันเห็นแล้วจึงรู้ มี เ, เ, เ, เรื่อจึงเห็นเป็นเรื่องจึรู้ไม่หมือนกานเรื่องถามว่าบนคืออะไรบาปคืออะไรศีลคืออะไรสมาธิคืออะไรปัญญาคืออะไรคำถามอันนี้ไม่มีมีเด็ต้องตอเองคนอื่นตอบไม่ได้ <S <S เราต้องต อ, องเองอย่างนี้ก็ <S <S นนรู้สอนตนเวลาใดมันหลงไอ้มันรู้นั่นแหละ กแล้วเวลาโหลงรู้สึกตัวเป็นฝึกเป็นแล้วอาจจะเป็นเรืยไปเรื่อยไปชัานานเลือยไปทำใหม่ใหม่ทำใหม่ใม่บง่ายที่จะหลงพอฝึกไปฝไปนานแล้วาง่ายที่จะรู้เดีว่าอย่างไรมนได้สอนได้อย่างนี้ทุกคนปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํำกตการนี่คือธรรมะคือวิทยาศาสตร์แต่ไปเอาสมองมาเกี่ยวข้องเหตุผลมาเกี่ยวข้อง เการกระทำการกระทำนี่เป็นกรรมเป็นของของตนกนระเป็นของของคนตามความปที่ัติหน้าใสเราทํากันอะไรไว้ดีก็ตามชั่วกว็ตามจะได้รับผลของกันก น, นั้นนั้นนี่เป็นการกทําแบบไม่ถมูกกรรมมาทำกรรมนี้อดวอนขอร้องอะไรก็ไม่ได้ถ้าเราไม่ เปี่ยนคำร้าเป็นค ำ, ำดีเขียนคำดำเป็นคำขาวมันก็เหมือนน่สัยไปเราจึ ง, างมหาหัดตนจนจะได้สิกถึงหนองอยาลองให้ทั่วเจกันไปแล้วก็เราก็มีการาทำอยู่แล้วทุกคนทำมันกันหมดถ้าเรามีสติมีความรู้จึกเราจะได้ เราก็เป็นคนคนเดียวกันเจ้าไม่ร่วงหลงก็เป็นคนร่วมคนไปเป็นเพืนฝาสนกันได้เจ้ามีความรู้สึกตัวอยู่มีความรึดได้อยู่เราก็เป็นคนเดียวกันอาศัยกันได้ทุกคนเปลี่ยนความไม่เป็นความดีอยู่เป็นปีเป็นทุกอยู่เปลนทุกันไปทุกอยู่ นใจกันเราเคยทุกขัญเขาเราเปลี่ยนแล้วเราเคยทลงมันเขาเราเปลี่ยนควาหลงไปความรู้ใจแล้วเราเคยสูเคยทุกขวัญเขาเราเปลี่ยนใจแล้วไปช่วยกันเติมคนเว้ยนตัวช่วยคนตกน้ำได้เอีช่วยกันแบบนี้มาดีคนอดกอดก่อนเราเป็นคน โกดที่หลังมันก็มันโง่ไปสองต่อพระเจ้าว่าคดกดก่อนไม่บาปเท่าไหร่ ถึงต้องมาเห็นใครมาทุกตนอย่างนี้มันมีอยู่นี่แน่นอนโรคเนี่ยถึงจะมีคุก ม, มีตารางมีรัฐรรมนนรีมีตัว ร, รัฐมนตอยมันก็ยังไม่พ อ, แ ต, ตอแต่เราเนี่ยมาป้องกันตัวเราเนี่ยนี่ก็เป็นเปวาหมายไปแต่เราป้องกันเราเนี่ย อะไรที่มันถูกเป็นความหลงกับความรูุ้ดตัวอะไรมันถูกตรงโรดความรู้สึตัวอะไรมันโทกอะไรเป็นธรรมต่อเราตคงโกรดก็ไม่โกรดอะไรเป็นธรรมเสัมผัสตงโปรดสัมผัสตรงไม่โปรดมันเป็นยังไงสัมผัสความรู้สัมผัสความหลงมันเป็นยังไง เนี่ยต้องกปถามใครนี่คือสัจธรรมความโกรเป็นสมมุติมัหยบยาตัวเองโกรใความไม่โกรเป็นประมสัจจะมันจริงกว่าออว ก, นากนันอย่างนี้พบเห็นเข้ว่าพบเห็นเห็นอย่างนี้ือวดวงตาเห็นธรรมก็จะเห็นนิมิต ออกไปนอกกายนอกใจอะ น, นั่นไม่ใช่เราก็เกิดขึ้นเดเราเนี่ปัญห า, าต่างๆถ้าเรารู้ปัญหาเป็นปัญญาได้ถ้าเรามาลุ้ปัญหาเป็นปัญหาเรื่อยไักจะเกิดจนตายความโกรธของโลกองหลงผมลุ้นจนตาย ว่าไม่ไปฝึกตอนสอนตอนเราฝึกตอนสอนตอนได้แล้วเราก็มีขั้นสุดท้ายได้ต้องหลงขั้นสุดท้ายความทุกข์ขั้นสุดท้ายความโกรธขั้นสุดท้ายของโลกของอะไ ร, ระต่างๆกระทำต่าเป็นขั้นสุดท้ายเหลือไปแต่ธรรมาชาติสู่ธรรมชาติจิตบริสุทธิ์อากาศพมันจัน ้องอภิษฐ์ตงัชนะโรที่สุดโปรทีุ่นชิ้นเติมแต่รอเริ่มต้นแต่รอทำตามแต่รอที่สุดจนไม่มีอะไรทำเหมือนกับศาสราของเราเลยพูดกับตัวเองว่าชาติิ้แล้วปมัอยู่จแล้วจิตนทีทำไม่หยุแล้วตอนนี้ก็คิดถึง hmm. um. er, um, คนอื่น <làm> เราไปช่วนินคนเินลู้ตามสอนคนเินลู้ตามได้ <c oughs> จะได้ชื่อว่าสองมาสองพุทโธโดยคนกันพูดใหเจ้าตำนานเกิดเจ้าพ้นแล้วคนแต่พวงแห่งมาแล้วหรือว่าพุทธเจ้าพอมาสอนอัญเวกทีอันเียวทีลูกตามที่สสดได้แล้วว่านี่ สิงที่เราตักสูน้นี่เป็นเป็นเท้ากรงตับทุกข์กันแต่เท้ากอมตัวอันเปลียนไปเพื่อปฏิบัติานจริงมีคู้รู้ตามได้จริงจึงได้ชื่อว่าเป็นสมมาสม พ, พุทโธสอนผู้รู้ในรู้ตามด้วยนี่ที่มันไม่ใช่อยู่ที่ไหนอยู่ที่เราเนี่ยคมรู้ตัวอยู่เดี๋ยวนี้ที่เรามีอยู่เดี๋ยวนี้ความรู้สึกตัวอยู่กับพระเจ้า สองสองพันปีอันเดียวยกันทุกคิงกับชายประเทศใดวัดที่ใดเพศใจเหมือนกันหมดต่อคนของทรรเนียมันมีอยู่อย่างนี้ชีวิตเราดูธรรมชาติได้แล้วเราจะมีความสุขก็สุขกบธรรมชาติ คติพลังสุขขังสุขุนี้ขวบความสงบไม่มีควากโปรสุขก็ใช้นินมิอตอาหมิตรต่างใ a n ดูหนังฟังเพลงเที่ยวเต้นเร่ร่อนอะไรก็ถือว่าเป็นความสุขสุขเกิดตาสุขเมื่อนะเไดอนสตสุขที่ไม่ต้อง สุขสันติติสันติตองหนงม่มีอะไรจะโตบางทีความสุขอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติให้เราให้เราให้ความสุขเราได้แล้วก็สุขไม่ช้ากินตีประศพที่กินตีอื้อนั่งลายตัวเองก็ยิ่มนะก็หิข้าวหวข้าว อะไรกางหายนะหนาวร้อนโมเนี่ยบางคนเป็นสบขเพราะร้อนเพหนาวเพะหนูแต่ว่าผู้ที่ฝึกตรงนี้แล้วมันมาใช้ความทุกข์อะไรเจ็บปวดเพ่มีความสุขมันควันค่งปิตริ ป, ป, ป จ, จักรที่ส ง, งบไนที่มันไม่ส ง, งบ ไม่ทุกในที่มันทุกเขาเปิดไฟมีออนีสารงเวดแสงไฟ ไ, ไปไม่เฉียวเฉียวเข้ามามาให้พ่อน้องดูเคยเห็นไหมไฟไม่พ่อน้องเสียงฝ้าร้องหลงพัดให้จัจบัก ไปไมก็ลำไปรได้ดีกว่านะก้นนมนะอ่าก็เป็นการศาใคไปโรต้องใช้เต้นลำใว้ถูกเค้าในไหมแค่น้ำเต้นลำใครยู่สิงกระโปร์ไปสอนทำที่นั่นเตือนหนึ่งเวลาวันว่างๆขบมาไปเที่ยวขึ้นกับเช่าข้ามไปกอะไปที่ต่างๆ เราไปดูเวทีเราก็ไม่รู้ว่าจะพาเรามาทำไมมันเป็น uh, เป็นอะไรมันเวทีมัน สีสันต่งางตางบางทีแสดงท่าท้อนท่าเราเที่ยวปลาสี ก, ออกันกอดูุกันน้ำที่มันเต้นราเห็นไหมเคยเห็นไหมไปดูดิแล้วก็บางทีเราจาุกใส่กัคนก็ตกมือโูจจุกออกโอชอ บ, บกันหลังตาดูไฟไหม้เต้นราในวัดป่าสกุโต ถ้าจะเอามาดูแบบสุธรรมชาติจริงๆไม่มีมายาศาสตร์อานเหมือนกระดูหนังหรอมันแกล้มันเลยพระเอกมันก็ไม่ใช่พระเอกมันก็เป็นคนสมมติออกลองเปิดตาข้างหน้านั่นเตียงกองไม่ใช่เตียงทองอะไรมันก็เป็นเตียงไม่ใครเตีเยง แต่เรา้งว่าเตียงทองจริงๆที่เขาแสดงไม่เราหัวร้อนหร้นก็เขาเขาแสงให้เราไม่เราไจับหมดแล้วหดสบเราก็สเปนไปก่อนยึดจเราไปได้ดูแล้วก่อนย้อนดูตัวเองเช่นหนองขาย เคยเคยสอนต่อที่นั่นก็มาลูงยอมจคึ่งก็นั่งดูตอนทีเขาจมชาลักดเดือดหน่อยเงินมาไอ้ความทีชกน่ะที่ดือนอยเดืมากก็ลองให้ไม่เหนืมาตีเขี้ยนเองว่าเดื ตามทำตัวซปีเด็กเลยดขึ้นเลยเพราะตีาบตัวซุปปี้จ้าทำตัวซุปปี้เข้าไปดีไปตีอะไรมาแล้ก็รู้สึกเสียใจสสาเลยวาจนหอน่ากันนะออกมายายเอ้ยเขาแสดงเฉยๆอต่ก็่เป็นเรื่องจรินกรรมาแ่ก็โง่ไปล้อใครหมดล้อก็ จััวเตร้จลาตอนีมันหลงตาดตอนที่มันจะสูบจะทุกทลาด่านี้เห็นไหมถึงการการ จ, จะแจ้งออกมาอะไรว่าเป็นเราหรือตดทุบมน้มันหนาวมันวเป็นตัวเราหรืออ้นอนหาอ้ปดเป็นตัวเป็นตนหรือ เอาสุขทุกขที่มันเกิดกับกายเป็นตัวเป็นตนหรือถ้าเห็นจริงๆก็เห็นแต่ว่าสัตว์แต่ว่านรรชาตอะไรที่เกิดกับกายกอบคุณมาแล้วที่มันแสดงออกหงี่เป็นกอบคุณหงี่หวนอ่างนี้ไม่ใช่เอาหงี่วเป็นทุกข์เอาคมเ็เป็นสุกเห็นมันเห็นมันอย่างนี้ถ้าดูดีๆมันจะเห็นมันจะตอบได้ อ่าไม่ดูก็เป็นไปตามมาเลยมันสุกโถสุกทุกโถทุกเนี่ยแล้วก็มีเวทนาเนี่ยมันมีอยู่ในกายแล้วจิตนั่นก็มีมันคิดอะไรได้เนี่ยนั่งอยู่นี้มันไม่ยั่งอยู่นี้นอนอยู่นี้มันไม่นอนอยู่นี้ไหลไปอดีตอนาคตว่าฝันกลางวันว่าคิดออกมุ่นคนคิด มันไหลเอาความคิดนั้นมาเป็นสุกเป็นทุกข์นมองในแบบนี้เขามีให้เห็นมันอันนี้ก็จะว่ามันคิดมันใช้จิตควคิดที่มันเกิดขึ้นเป็นอารมณ์ก็จิตมันไม่เป็นลายบริสุทธิ์อยู่แต่อารมณ์นั้นมันจอมาทำให้จิตเกิดเปิดเพื่อนไปอยากจะเป็นสุขมเป็นสุขเป็นทุกข์ความคิด เห็นมันสุขเห็นมันทุกข์อย่างนี้ระอว่างปฏิวัติธรรมสุข ก, ก็เห็นทุกข์เห็ น, ม, น, น, ห น, นมันค่าเท่ากันในระหว่างความสุขควาทุกข์มีค่าเท่ากันพอกันถ้าลองให้เห็นไปเป็นการ น, นันก็สุขก็มีค่าแบบหนึ่งทุกข์ก็มีค่าแบบหนึ่งหรือรถของโลกูกมันเกิดขึ้นใจได้ตอนนี้นก็เป็นใหญ่ ถ้าเราไม่สอนมั่นใจไนมะ่เคยฝึกสักตัววิตใจมันก็เป็นที่เป็นใครต่อใจด้วยในจิตมันก็มีจิตมีสติดูจิตมีจิตดูจิตบางครูที่สอนอย่างนี้มันก็มีอย่างนี้จริงๆในจิตมันก็มีจิตในเป็นจิตกันดูจิตเป็นเกิดที่ไหนกเตที่ น, น, น, ททนั่นแหละจบมันมันเกิดทุดที่จิตเขาจิตนั่นแหะไม่ทุก กระุกที่กเข้ากลายเัน็นแมัมทุกมีสติสัตวว่ากายจะกู้ักสัตวว่ากายเวทนาสัพพะเวทนาจิตสัตวว่าจิตอย่างนี้แล้วก็ลือถอนออกมาแต่กองหนักก็เบาได้แต่วองยากก็จง่ายได้ถ้าเราทองอ่าเนี้มันเป็นไปได้จริงๆ อย่านึกว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้อย่าไปดูถูกตัวเองเกินไปให้เ้่าตัวเงเกินไปมีรมร้อยเกินไปได้เป็นได้อย่ามาต่อรอง <c oughs> นักปฏิบัติไม่เยาวได้เป็นเยาวม์มาได้มาเป็นเครื่องตัดสินให้ลูกได้อนบางทีก็ยากบางทีก็ง่าย น, นี่มาใชกนักปฏิบัติให้มันเหนือยเหนือไป สัญญาตเคเห็นมันยากมันง่ายเห็นมันง่ายมีตัวลูกเลยตายก่อนแล้ว เ, เห็นอักผลจะสิตรับนี้มาดีไม่เห็นหนะผลดาศึกษาผัดฝึกขัดกรรมฐาน剤เป็นวิชาผึกขันกรรรมฐานไม่ใช่เป็นวิชาเรียนรู้มันต้องทําอย่างนี้นจึงเจอไม่เสียเวลา ถ้าไปเรียนรู้เอาเหตุเอาผอย่างเงินช้าใครก็มีเหตุที่ผลกันทั้งนั้นแหละใครก็มีความรู้กันทั้งนั้นแหละถ้าแม่ไหยที่นั่งอยู่นี้มีความรู้กันทั้งนั้นเป็นพ่อคนนั้นคนสำหรับการงนานที่มาแล้วไใช่คนงูแล้วก็มีการฝึกคนสอนตนความรู้อยู่แต่ความรู้ที่เร า, าเอาไปน่สัมผัสจเอาจุเงา เอาใจพิจุมเอาใจพจุมเอากับความรู้สึกตัวนี่การสอนใหรู้ควรู้เดี่ยวนี้แหะสติไปฟังเล็กได้สำชัญยัดไปความรู้ตัวทำได้หรือยังทำได้นนแล้วเวาทุกข้อสอบไปสอบแล้่ทำยังตีจะมีตัวดรามามีจิยังอะไรบ้างทำได้ไหมฮะ ตาร ม, มีภาร ะ, ะมากมีี่อย่างอะไรบ้างส ต, งสตงิสองสามปีนี้นะสไปใบประกาศถ้าทำสตเอาให้กว่าไม่เคยมีอมนใจเรเลยท่นก็มีแตะมีแต่หนังสือที่เขาให้อันนี้เราได้สดติกบบร่งรักทุกเรื่อ มมีอยู่กับเราแล้วมันมีอะไรไมัเนเกิดขึ้นวิธีเพร่ว่าเราได้นัดทำแล้วผ่านแล้วป็นการอนุญาตแล้วไผ่านจากควาหลงมาเป็นกวรู้สอบผ่านถ้าหลงเป็นหลงยังสอบไม่่าถ้าทุกเป็นทุกยังสอไม่ผ่านถ้าอะไรต่งางๆมาเป็นตัวรู้ในวาธีนันนเด้อ ทุกควเป็นลูกร่วงวต้นภาวะเดิมอย่างนี้เรีวิตัจฉนาะอาศัยกรรมาฐานเป็นการกระทำเมื่อเกิดหลุดพ้นจากปัญหาเรียกวิตัจฉนะ น, น, นาเห็นรูปเห็นนามตางครามเป็นจริงมันมีอยู่หักสูตมันอย่างนี้ก็เชื่อนองงมสาวๆสมใจสมหะจะบปับถูกทันทีเลย เอ า, าวอวางก้นเข่าดูเดี๋ยวเมืม่อของท่านอยู่ที่ไหนเอาใจหมายมือยู่ที่ไหนเลี๋ยวนียมีเขาไหย ม, มีมือมมือสองข้างมีไหมเอาวางไว้บนเข่าเดี๋ยวอาจารย์ท่านจะสอนแต่วังตายากาี่ยเห็นไหมมืออยู่ที่ไหน ตอบได้ไมที่เข่าต้องถามใครไหมว่ามืออยู่ที่ไหนมีคำตอบเขานั่นะทย่ต้องามต้องมมือหนูอยู่ที่ไหนมือฉันอยู่ที่ไหนถามไหมไม่ต้องถามเลยไปแขงมือข้างขวารูจักตะแคงไหตแคงปทงมอนี้อง้งไว้บนเข่าแขยัง ถามไปแม้ว่ามือของฉันแต่แค้นอยู่หรือก้มอยู่หลงกอดหลงตาไม่ต้องถามยกขึ้นยกหรือยังหลงตาว่ายังวางอยู่ขอนั้นมากกว่าจะไม่ยกเลยยังวางอยู่โขอยู่เชื่อไหมฮะเชื่อหลงตาหรือเชื่อตัวเองเชืตองไรตมาตัว วางไว้ตัดดูไหมมากระบอข้างซ้ายตะแคงไว้ตั้งไว้เหมืเการูปนะรูปเหมือนเก่ารูปเดียวเดี๋ยวขึ้นูมาโกบมาข้างขวาเนี่ยหน้าท้องเนี่ยเดิวมืออยู่ไหนเดียวนี้รูปสิบตัวไหมจได้ไหม อยู่นะท้อง ว, งวนถามไหมให้มีคำถามตบวเเื่อมือ้งขวาอมื่อกั้งซ้ า, ายขึ้นหน่อยหนึ่งรู้จเหนือ ไ, ไมอย่ด้วยกันเมื่อกังซ้ยอยู่ตรงกับกั้งขวาอยู่้งขวาเดียออกไป่าอี ก, อกเป็ น, นทานงรงเขาว้วางรงซ้ เดี๋ยวยทำซาดขึ้นมาหน่อยนะเดี๋ยวก็ไขลูกวางลงตั้งไว้ลูกว่องล1ลูกลูกแล้วแเดียวได้14่ลูกแล้วนามมาขมขึ้นมาขคยเยตรงนี้เรายดรูตรงนี้เรากกลูกจริงๆไม่ชคิดเอาไว้นั่งคิดว่ามือคิดแล้หนยกแลวหนอวางแล้หนอ ตอเอาของจริงมาศึกษาทียว่าตัณหาเอาาจเป็นตัณหาเอาใจเป็นตัณหาเอาสติเป็นนักศึกษาเรียนรู้เห็นไม่ใช่ลูกได้ทำเป็นแล้วทำเป็นแล้วนะนี่อาจารย์จะบอกอย่างนี้ส่วนการจะทำเป็นหน้าที่ของเราถ้าบอกว่ามันทำก็มีประโยชน์ ว่าสอนให้ทำไม่สอนให้รู้เป็นวิชากรรมฐานถ้าไปจะมีอาจารย์ทั้งจะแ น, นะนำทำสอนตอนตากเราโคตรใจจะตอนเช้าตอนยินไม่มีเสียงไม่มีเสียงเลยตอนเย็นไอ้รอยมันตายแล้ว้าเลยกินก็นเลยไม่ม า, าเอเดยกอ่ อาศัยอาศัยอาศัยเส้นองราเชืกนะวันนี้ก็สวกับพระพ